เห็นเด็กหนุ่มวิ่งกลับมาในลักษณะเลือดแดงฉานทั่วมือครูชิ้นก็วางปืนลงแกกำลังจะแก้ตัวอีกครั้งหลังจากที่ต้องเสียหน้าไปถึงสองคราเพราะนกร่วงลงมาเพียงครึ่งฝูงขณะที่คนเป็นสิทธิ์ทำให้มันตกลงมาทั้งฝูงได้ตั้งแต่ยิงนัดแรกเกิดอะไรขึ้นคนถามแทบจะหายเมา ไอ้นกบ้านั่นมันติกผมทำไงดีครับครูเขาถามหน้าซีดเมื่อเห็นเลือดออกมากผิดปกติสงสัยจะถูกเส้นเลือดมาเขาจะห้ามเลือดให้แกใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปที่ปากแผลหากเลือดก็ยังไม่ยอมหยุดคนอายุ16เริ่มกลัวตายและนึกไปถึงเมืองนรกตามที่ยายเคยเล่า ไม่เด็ก้่อนซื้อแล้วครูชินพูดรู้สึกตกใจไม่แพ้คนเป็นสิทธิ์คราวนี้แกหายเมาเป็นปลิดทิ้งหยิบห้าเขาม้าที่ใช้ห่อปืนมาฉีกแล้วมัดที่ข้อมือเด็กหนุ่มอย่างแน่นหนาเพื่อให้เลือดหยุดไหลซึ่งก็ได้ผลเจ็บไหมวะแกถามคนที่หน้าซีดเซียวเพราะกลัวตายทั้งเจ็บทั้งปวดเลยครับไอ้นกเวนสึกมาจิกกูได้ เขาถือโอกาสด่านกเอ็งไปทำอะไรมันเขาละคนเป็นครูถามตอนที่เด็กหนุ่มวิ่งไล่ตามนกแกกำลังเล็งปลายกระบอกปืนไปยังนกฝูงใหม่ที่พากันบินตรงมายังหนองน้ำจึงไม่เห็นว่าเขาวิ่งไล่ตามนกไปแค่จับมันเองหนุ่มน้อยว่าแต่แรกเขาตั้งใจจะหักขาเพราะเคยทำอยู่บ่อย แต่คราวนี้โกรธแค้นนักที่มันมาจิกมือจึงหักคอมันเสียมันคงกลัวตามสัญชาตญาณของมันสงสัยวันนี้เราเห็นจะต้องกลับกันแล้วข้าจะพาเองไปทำแผลที่ศุกสาลาเกิดเป็นบัด ท, ทยักตายไปข้าก็จะขาดเพื่อนคู่หูคบใครก็ไม่ถูกใจเหมือนคบเองครูชินพูดแบบห่วงตัวเองมากกว่า เดินไหวไหมหรือว่าจะต้องให้ข้าแบกแกถามคงพอไหวครับแต่คงจะแบกปืนไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าแบกเองค่อยๆไปกันก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนแต่ลูกปืนยังเหลืออีกสองนัดครูจะยิงให้หมดก่อนก็ได้นิดครับคนเจ็บยังห่วงเรื่องยิงนก เอาไว้วันลังก็แล้วกันวันนี้เลิกไม่ดีสชแล้วคนเป็นครูบอกแท้จริงแกกลัวว่าจะขายหน้าสิทธิ์เป็นครั้งที่สามที่สี่มากกว่ายายสอนว่าเมื่อไรที่เราทำดีเมื่อนั้นชื่อว่าเริกดีเหมือนที่พระท่านสวดว่าสุนัขตังสุมังคลังหนุ่มน้อยพูดเสียงปกติหวังจะให้ครูชินไปคิดเอาเองว่า วันนี้เริกไม่ดีเพราะทำไม่ดีแต่ครูพูดใจบาปหยาบช้าคิดลึกซึ้งอย่างนี้ไม่เป็นแก่พูดได้เพียงว่าเรื่องของพระกับเรื่องของยายเองไม่ใช่เรื่องของข้าทาแผลที่สุขศาลาเสร็จแล้วครูกับสิทธิ์ก็แยกย้ายกันกลับบ้านเด็กหนุ่มไม่ได้แบกปืนกลับมาด้วยเพราะมือเจ็บยายรอให้หลานมาหุงข้าว เห็นหลานยังไม่กลับจึงละมือจากการปลูกกระชายขึ้นเรือนมาก่อไฟตั้งหม้อข้าวเอาไว้หลานกลับมาจะให้ไปปลูกต่อจนเสร็จหมู่นี้กระชายขายดีจนต้องปลูกเพิ่มอีกสองแปลงหลานชายกลับมาเมื่อ โ, โเลเพลเห็นหน้าหลานยายก็ร้องทักไอ้หนูเอ็งเอาผ้าเขาม้ากับเสือ ไปทิ้งเสี้ยที่ไหนแล้วนั่นมือไปโดนอะไรมาถึงจะรักหลานมากกว่ารักของทว่ายายก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงของก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความเคยชินฝากไว้ที่โรงเรียนครับมือผมเจ็บเอากลับมาไม่ไหวหลานชายตอบไปโดนอะไรมา แล้วนั่นใครทำแผลหายผมไปทำที่สุขศาลามาสองสมบัตก็หายยายไม่ต้องห่วงหรอกครับหนุ่มเจริญพยายามที่จะไม่ตอบคำถามของยายที่ว่าไปโดนอะไรมาจึงแกล้งถามยายว่าวันนี้ยายแกงอะไรครับผมหิวจังเพราะเสียเลือดไปมากยายถามว่าไปโดนอะไรมา คนอายุ8ปบสถามอีกหลานชายเพิ่งจะรู้ตัวว่าไม่ควรพูดเรื่องเสียเลือดไปมากไม่เช่นนั้นยายคงไม่ถามซ้ำยายอยารู้เลยผมรับรองว่าปลอดภัยแล้วคนอย่างผมไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะผมห่วงยายเขาพยายามพาออกนอกเรื่องแต่ยายกลับไม่ยอมบอกมาดีๆ ว่าเองไปทำอะไรมาแล้วก็หามพูดบดบอกมาเดี๋ยวนี้อย่ายื่นคำขาดหนุ่มน้อยจึงตอบแบบไม่ต้องโกหกว่านกมันจิกผมครับเองไปทำอะไรมันเขาละอย่าพูดนะว่าไม่ได้ไปทำอะไรมันคืออย่างนี้ครับยาย เจ้านกตัวนั้นมันถูกยิงร่วงลงมาแล้วผมก็ไปจับมันเลยถูกจิกเข้าให้คนพูดไม่ได้โ ป, ลปล๊ปดใครมันใจไม้ใส่ระกรรมไปยิงมันเขาละ่ะเอ็งพอจะรู้บ้างไหมก็พอจะรู้หรอกครับแต่ผมว่ายายอย่าไปสนใจเจ้าคนยิงเลยสนใจผมดีกว่าผมหิวข้าวจนตาลายแล้วนะครับคําว่า เอาละยายไม่อยากรู้ก็ได้ว่าใครเป็นคนยิงนกตัวนั้นแต่ยายรู้ว่าเขาจะต้องได้รับกรรมกรรมมันมีผลมีวิบากนะไอ้หนูใครที่ทำกรรมอะไรไว้ถึงคนอื่นไม่รู้ตัวเขาเองนั่นแหละรู้ ยายพูดด้วยค่อนข้างแน่ใจว่าตัวการของเรื่องไม่น่าจะเป็นใครอื่นนอกเสียจากหลานชายของยายเองเพราะหากเป็นคนอื่นหลานชายจะต้องรีบบอกไม่ทันให้ยายต้องถามด้วยซ้ำมนุษย์เราก็อย่างนี้เองโทษของผู้อื่นมองเห็นง่ายแต่ของตัวทำเป็นมองไม่เห็นไม่จริงเสมอไปรหรอกยายหลานชายแย้งเพราะไม่เห็นด้วย ไม่เช่นนั้นคนก็จะพูดกันหรือว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วคนที่เขาทำชั่วแต่ไม่ต้องรับผลของมันก็มีถงเทไปยายจะให้ผมยกตัวอย่างไหมที่ตำบลบางม่วงหมูนี่ก็มีนั่นเพราะเขายัางกินบุญเก่าอยู่นะสิแต่เชื่อยายเถอะเมื่อไรที่บุญเก่าของเขาหมดเขาจะต้องรับผลของกรรมที่ทา ยหญ่จำได้นะไอหนูสมผานวัดสัทธาพิรมท่านเทศให้ฟังบ่อยๆท่านว่าสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็เคยตรัสเรื่องนี้แก่ท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีพระองค์ตรัสว่าดูก่อนก็ฤ ห, หบดี แม้บุคคลผู้ทำบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดกาลที่บาปยังไม่ผล็ตผลแต่เมื่อใดบาปของเขาผล็ตผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปนั้นว่าชั่วแท้ๆฝ่ายบุคคลผู้ทำกรรมดี ย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ผลิดผลแต่เมื่อใดกรรมดีของเขาผลิดผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆดังนี้เหมือนคนที่ยิงนกตกลงมาเขาก็คิดว่า คำชั่วนั้นดีต่อเมื่อถูกนกมันจิกเอาจึงได้รู้ว่าคำชั่วนั้นชั่วแท้ๆยายอ้างพุทธพ์แถมยกตัวอย่างประกอบหลานชายฟังแล้วแทบจะหายหิวจึงแกล้งชมว่าแม้ยายผมนี่จำเก่งจริงๆ ขนาดพระพุทธองค์ดัดไว้ตั้ง 2,400 กว่าปีมาแล้วยังจำได้เขาเรียกว่าคนแก่เจ้าปัญญายายพูดพร้อมกับยืดอกคนรุ่นยายนี่ความจำดีนะครับสมภารวัดสัาพิรมก็เหมือนกันเวลาท่านเทศท่านสามารถหยิบยกอะไรต่อไมิอะไรมาให้ญาติโยมฟังข้างฝ่ายญาติโยมก็ช่างจำบางคนอ่านหนังสือไม่ออก แต่ความจำดีเหลือเกินท่านพูดอะไรจำได้หมดทุกคำเลยแถมบางครั้งจำได้เกินที่ท่านพูดสเสอีกหนุ่มน้อยพูดแขะคนอายุ8ปดสบสนั่นสิส่วนคนที่อ่านออกเขียนได้กลับจำไม่ได้ทั้งจำไม่ได้และทำไม่ได้ทานเหตุให้ฟังก็เลยเหมือนทันเป่าปี่ ใส่หูขวายไม่เกิดประโยชน์เมื่อหลานแขะมายายจึงแขะไปบ้างแกงในหม้อเดือดจนน้ำล้นออกมาข้างนอกยายจึงเปิดฝาเอาทพีคนแล้วตักขึ้นชิมได้รสเปรียปร้ยวๆเค็มๆพอดีแล้วจึงยกลงแกงอะไรนาะยยายหอมจังผมชักน้ำลายไหลแล้วสิ แกงส้มผักบุงใสปลาหมอยายตอบปลาตายอีกตามเคยฮะอยู่กับยายเนี่ยกินปลาตายตลอดชาติข้าบนปลาไม่ตายมันจะยอมให้เองกินรือยายย้อนผมหมายถึงว่าปลามันไม่สดน่ะยายรู้ว่าผมหมายถึงอะไรแต่ก็แกล้งยั่วผม แล้วเองไม่ได้ยู่วยายหว่างั้นเถอะเอาล่ะเอาละยากอยากว่าอะไรผมก็ว่าไปผมจะกินข้าวแล้วเขาหยิบชามกาไก่จะมาตักแกงเดี๋ยวก่อนยังกินไม่ได้ต้องแบ่งไว้ใส่บาตรพรุ่งนี้ก่อนยายห้ามแล้วหยิบหม้อดินใบย่อมมาแบ่งแกงส้มสำหรับไว้ถวายพระ ผมเกลียดพระจังเลยยายรู้สึกว่าท่านจะเอาเปรีบชาวบ้านมากไปหน่อยกินก็กินก่อนแถมคนยังเลือกของดีๆไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือผักผลไม้เมื่อถึงฤดูที่ออกใหม่ต้องแบ่งไว้ถวายพระก่อนคนถึงจะกินได้ผมละเกลียดพระเสจริงๆเขายา้ำโบราณท่านสอนว่าเกลียดขีขีตาม เองเกลียดพระต่อไปเองจะต้องไปเป็นพระยายว่าจ้างผมก็ไม่เป็นผมจะบวชสักหนึ่งพรรษาพอเป็นธรรมเนียมแล้วก็จะศึกมามีเมียหนุ่มน้อยว่าพลางช่วยยายจัดสำรับกับข้าวก่อนไหนเองบอกว่าจะให้สำเร็จฌานอย่างหลวงพ่อช้างแค่พรรษาเดียว จะสำเร็จได้ยังไงลุมพ่อท่านบวชตั้งแต่เด็กเด็กบวชพระได้หรือยายหนุ่มน้อยยั่วก็บวชเป็นเนนก่อนสิพออายุครบยี่สิบจึงบวชพระยายตอบแล้วยกสำรับออกไปที่ระเบียงหลานชายช่วยอะไรไม่ได้มากนะักเพราะเหลือมือข้างเดียวที่ใช้งานได้ ยายทำไมปลาหมอเนื้อหวานจังยังกับเอาปลาเป็นเป็นมาแกงแน่หลานชายถามขึ้นเพราะรสชาติของปลาอร่อยกว่าทุกครั้งที่ยายแกงพี่สาวเองเขาเอามาให้ขอดเกล็ดมาเสร็จสับรวมทั้งผักบุ่งด้วยเองก็เลยได้กินปลาสดสมใจยังไงละ่ะ ยายบอกอย่างไม่ยินดีนร้ายและแบบนี้ยายบาปไหมครับเขากังขาบาปถ้ายายรู้เห็นเป็นใจด้วยแต่นี่ยายไม่รู้แล้วก็ไม่ได้บอกให้เขาเอามาให้เขาเอามาเองงั้นผมก็ไม่บาปเหมือนกันแม้ดีใจจริงๆที่นานๆจะได้ลาบปาก เองบาปแล้วไอ้หนูเองยินดีที่ได้กินเนื้อเขาแค่นี้ก็บาปแล้วแม้ว่าจะไม่ได้ลงมือเองแต่เมื่อใจยินดีก็ถือว่าเองพอใจในอกุศลกรรมถึงไม่ใช่กายทุจริตก็เป็นมนโนทุจริตอ้าวแล้วจะให้ผมทำยังไง ถึงจะไม่บาปละครับเองก็กินด้วยความวางเฉยสิคือไม่ยินดียินร้ายไม่อย่างไงก็กินอย่างงั้นแบบนี้ถึงจะไม่บาปยายถือโอกาสอบรมสั่งสอนอาหารที่ว่าอร่อยนั้นแทบจะหมดรสชาติเมื่อต้องกินข้าวเคล้ากับเสียงเทศเมื่อหมดจานแรกแล้ว หนุ่มวัยส6หจึงไม่เติมข้าวอีกอิ่มแล้วหรือก่อไหนวะหิวยายทวงผมกลัวบาปมากขึ้นนะครับเขาแ้งว่าแล้วจึงเก็บจานข้าวเข้าไปไว้ในครัวเห็นหลานอิ่มยายพลอยกินไม่ลงจึงเก็บสำรับกับข้าวยกไปให้เขาล้างจากนั้นจึงลงไปปลูกกระชายต่อที่สวนหลังบ้านล้างถ้วยจานเสร็จ หนุ่มน้อยจึงตามลงไปเขาช่วยอะไรยายไม่ได้มากนะักเพราะมือข้างหนึ่งใช้การไม่ได้ตอนล้างชามก็ทำด้วยความยากลำบากยายใช้เสียมขุดดินลึกลงไปประมาณสองนิ้วแล้วนำหน่อกระชายลงปักกลบดินพอหลุมหลวมยายปลูกเสร็จไปแปลงหนึ่งแล้วคิดว่าแปลงนี้จะให เองช่วยก็พอดี ม, มือเจ็บซะ ก, ก่อนนี่ข่าวสารก็ใกล้จะหมดกระสอบแล้วลําพังยายคนเดียวคงต่ำไม่ไหวเห็นจะต้องไปขอแรงพวกพี่ๆเองมาช่วยสักวันยายพูดเหมือนบ่นหนุ่มน้อยเพิ่งจะสำเนียกว่าความคึกขนองของตน มีผลกระทบมาถึงยายคนอายุเกือบเกือบ90น่าจะได้พักผ่อนให้สบายในบั้นปลายชีวิตแต่กลับต้องมาทนทุกข์เหนื่อยยากเพราะหลานชายคนเดียวเขาจึงคิดว่าจะพยายามช่วยงานยายทั้งทั้งที่มือเจ็บดังนั้นเมือ่อยายปลูกกระชายเสร็จและกำลังจะไปตักน้ำมารดเขาจึงพูดขึ้นว่ายายไม่ต้องผมจะไปตักเอง อย่าเลยประเดี๋ยวแผลจะอักเสบนะไอ้หนูยายห้ามไม่เป็นไรหรอกครับผมจะพยายามไม่ให้มันถูกน้ำว่าแล้วก็หาบกระแตงคู่ชีพเดินไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาตักน้ำมาให้ยายรดกระชายสองแปลงแปลงละสองหาบขอบใจมากไอ้หนูที่อุดสาช่วยยายทั้งๆ ท, ที่มือเจ็บ ขอให้จำเริญจำเริญเถิดพ่อคุณยายให้ศีลให้พรจำเริญอยู่แล้วล่ะยายก็ผมชื่อจเจริญความหมายเดียวกับจำเริญ น, นั่นแหละหนุ่มน้อยบอกยายเวลาคนเฒ่าคนแก่ให้ศีลให้พรเองต้องยกมือขึ้นสาธุถึงจะหก ไม่ใช่มาต่อล้อต่อเทียงแบบนี้ยายเปลี่ยนไปให้พร อ, อีกแบบหนึง่งก็มือผมเจ็บหลานชายแก้ตัวเมื่อก่อนที่มือเองอย่างไม่เจ็บยายก็ไม่เห็นเองทำอย่ามาอ้างหน่อยเลยยายรู้เท่าทันหรอกนะคราวนี้หลานชายไม่ตอบ เพราะไม่รู้ที่จะตอบว่ากระไรหลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วยายก็เข้านอนหลานชายทำหน้าที่นวดตามปกติเช่นทุกคืนจะผิดปกติไปบ้างก็ตรงที่คืนนี้เขานวดด้วยมือข้างเดียวส่วนอีกข้างกำลังป่วยวันนี้เองก็ไม่ได้ไปเรียนทําปีพาดนะสิยายถาม ทำปีพาดของยายหมายถึงไปเล่นดนตรีไทยไม่ได้ไปครับครูสมใจบอกว่าฝีมืออย่างผมออกงานได้แล้วเดือนหน้าบ้านเนื้อเขาจะแต่งงานครูจะให้ผมไปทำปีพาดเป็นงานแรกได้เงินด้วยนะยายหนุ่มน้อยอวดดีอย่าไปทำให้เขาหวงแตกเซ็ ก, กอนแล้วกันยายเป็นห่วงรับรอง มือฉันนี้แล้วว่าแต่ว่าไอ้มือที่ป่วยอยู่นี่จะหายทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไม่หายก็เสร็จกันคนพูดออกวิตกอยากหายเร็วๆไหมละ่ะยายจะบอกเคล็ดลับให้ทำยังไงครับถามอย่างสนใจก่อนนอนให้ไหวพระสวดมนต์ เสร็จแล้วขออโหสิกรรมเจ้านกตัวที่จิกเองว่าถ้าเคยมีเหวนินมีกรรมต่อกันมาก็อโหสิกรรมกันเสียแล้วจึงแผ่เมตตาให้เขาถ้าเองทำได้รับรองว่าแผลหายหวันหายคืนเทียวหลักตกลงผมจะเริ่มคืนนี้เลยยายหายเมื่อหรื อ, อยังครับ ยังแต่เอาเถอะเอ็งจะไปสวดมนต์ก็ไปอย่าลืมทำตามขั้นตอนที่ยายบอกก็แล้วกันสวดมนต์ขออาโหสิกรรมแล้วจึงแผเมตตายายทบทวนให้อีกครั้งครับจำได้แล้วเขากราบที่เท้ายายด้วยมือข้างที่ไม่ได้ป่วย ทวงที่มือเจ็บไม่ต้องไปขายของที่บางขามก็ได้ยายบอกครับหนุ่มน้อยรับคำและจึงลุกออกไปยังห้องนอนของตน